จเจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเงื่อนใสในพระพุทธศาสนาทุกๆท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ย0สิบมกราคมพุทธศักราชส5 5พบเป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่าจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัด เพื่อมาศึกษามาปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้ทำความดีให้ละบาปให้ช่างละใจให้สะอารบริสุทธิ์เพราะเป็นการกระทาที่จะนำผลที่ดีมาตามลำดับและเป็นการป้องกันผลที่ไม่ดีไม่ให้เกิดขึ้น ถ้าเราปฏิบัติได้เราต่อไปไม่ต้องไปเกิดในอบายถ้าเราไม่ทำบาปเราก็ไม่ต้องไปในอบายถ้าเราทำบุญชำระใจของเราให้สะอาดไปตามลำดับเราก็จ ะ, จะเจริญขึ้นไปเป็นเทพเป็นโพลเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆจนถึงขั้นพระอาหารหันต ในที่สุดเพานี้คือเหตุที่ทำให้เกิดเทพเกิดพรมเกิดพระอาหารหันเกิดพระอริยสงสาวกทั้งหลายอยู่ที่การศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและนำเอาคำสอนที่ทรงสั่งสอนไปปฏิบัติเมื่อได้ปฏิบัติแล้วผลก็จะเกิดขึ้นที่ใจ ผู้ที่จะไปเป็นเทพเป็นพรหมเป็นพระอริยบุคคลเป็นพระอรหันต์เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นร่างกายเพราะร่างกายนี้อยู่ได้ไม่นานก็ต้องหมดสภาพไปแต่ผู้ที่จะไปเป็นเทพเป็นพรหมเป็นพระอริยบุคคลนั้นก็คือใจเพราะใจเป็นสิ่งที่ไม่ตาย ใจมารับผลบุญรับผลบาปที่ได้เคยทำเอาไว้ดังนั้นถ้าเราอยากที่จะให้ใจของเราคือตัวเรานี่แหละให้มีแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าตามลำดับเราต้องจเจริญแบบพระพุทธจเจ้าเจริญแบบพระอรหันตสาวกทั้งหลาย อย่าไปเจริญแบบเศรษฐีเจริญแบบนายกรัฐมนตรีเจริญแบบพระมหากษัตริย์เพราะเป็นการเจริญชั่วคราวเป็นความเจริญที่ไม่ได้ปลดเปลื้องความทุกข์ไม่ได้ป้องกันไม่ให้ไปเกิดในอบายไม่ได้ส่งเสริมให้ไปเป็นเทพเป็นพร เป็นพระอริยเจ้าเพราะว่าผู้ที่เป็นเศรษฐีเป็นกษัตริย์เป็นบรรณาธิปดีเป็นนายกรัฐมนตรีนอกจากหลีกเลี่ยงการทำบาปไม่ได้เช่นเวลามีสงครามก็ต้องมีการเข็นฆ่ากันหรือว่าทำอะไรต่างๆก็อาจจะไม่ซื่อสัตย์ พูดไม่ตรงกับความจริงหรือทำอะไรที่ชอ่โกงเพื่อที่จะได้เป็นเศรษฐีได้เป็นนายกได้เป็นกษัตริย์ได้เป็นประธานาธิบดีถ้าการกระทำนั้นขัดกับหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า mm hmm. เช่นถ้าทำบาก mm hmm. ก็จะต้องไปรับผลไปเกิดในอบายที่มี เป็นที่อยู่ของสัตว์เดรัจฉานของเปรตของสัตว์นรกทั้งหลายแต่ถ้าเราไม่ได้ต้องการความเจริญแบบเศรษฐีแบบนายกแบบกษัตริย์เราต้องการความเจริญแบบพระพุทธเจ้าแบบพระอาหารหันต์เราก็ต้องหมั่นทําบุญอยู่เรื่อยหมั่นรักษาศีล ไม่ให้ทำบาปแล้วก็หมั่นชำระใจคือกำจัดความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดไปเพราะนี่แหละเป็นเหตุที่จะทำให้จิตใจของเรากลายเป็นเทพกลายเป็นพรหมกลายเป็นพระอริยเจ้าตามลาดับต่อไป ถ้าเราทำบุญไม่ทำบาปใจของเราก็จะเป็นเทพถ้าเราเพิ่มด้วยการนั่งสมาธิทำใจให้สงบใจของเราก็จะเป็นพรหมถ้าเราปฏิบัติเพิ่มด้วยการจเจริญวิปัสสนาคือปัญญาพิจารณาให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราเป็นของชั่วคราวอย่าไปอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอจะทาให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าเราเห็นความจริงอย่างนี้ใจของเราก็จะหยุดความโลภหยุดความอยากเพราะรู้ว่าสิ่งที่เราอยากได้นั้นได้มาเพียงชั่วคราวเท่านั้น แล้วก็ไม่ได้ให้ความสุขเพียงอย่างเดียวให้ความทุกข์แถมมาด้วยซึ่งเป็นความทุกข์ที่มากกว่าความสุขที่เราได้มานะผู้ที่มีปัญญาถ้าเห็นความไม่เที่ยง mm hmm. เห็นความทุกข์ mm hmm. เห็นว่าไม่ใช่เป็นของตนในสิ่งต่างๆแล้ว mm hmm. ก็จะไม่มีความอยากจะได้อะไรพอไม่ได้อยากได้อะไรใจก็จะ บรรลุเป็นพระ อ, อริยบุคคลขั้นต่างๆตั้งแต่ขั้นพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระ อ, อนาคามีพระอรหันต์เมื่อได้ไปถึงขั้นพระอรหันต์แล้วการกลับมาเวียนว่ายตายเกิดก็จะหมดไปไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมาพัดพอาดจากคนที่เราลัก พัดาจากสิ่งที่เรารักซึ่งเป็นสิ่งที่เราทํากันมาอย่างต่อเนื่องนับพบชาติไม่ท่วแล้วชาตินี้เป็นชาติที่วิเศษตรงที่ว่าเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนามาพบกับพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ไม่มีใครรู้ได้นอกจากพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียว พอมีพระพุทธเจ้ามาสอนความจริงให้แก่สัตว์โลกแล้วก็ปรากฏมีผู้ที่สามารถปฏิบัติตามได้เป็นจำนวนมากและบรรลุเป็นถึงขั้นพระอาหารหันต์ได้เป็นจำนวนมากไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาทรงสั่งสอน ก็จะไม่สามารถปฏิบัติถึงขั้นพระอริยะสงได้เพราะข่านพระอริยสองนี้ต้องเกิดจากคําสอนที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้เดียวที่ทรงรู้ทรงเห็นก็คือทรงเห็นวิปัสสนาคือความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเรา ไม่มีใครรู้ใครเห็นอย่างนี้ได้มาก่อนถ้าใครรู้ใครเห็นได้ก็จะสามารถชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้กําจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปได้พอไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจแล้วใจก็ไม่ต้องไปหาร่างกายไม่ต้องไปเกิดใหม่แต่การไม่ได้เกิดใหม่นี้ ก็ไม่ได้หมายความว่าใจได้หายไปไหนใจก็ยังอยู่ยังมีอยู่เหมือนเหมือนใจของพวกเราขณะนี้ใจของพวกเราตอนนี้ก็มีอยู่เพียงแต่ว่าใจของเรามาติดกับร่างกายพอร่างกายเป็นอะไรใจของเราก็ทุก์ไปกับร่างกายเวลาร่างกายแก่ก็ทุก์กับความแก่เวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ทุก์กับความเจ็บไข้ได้ป่วย เวลาน่างกายตายก็ทุกข์กับความตายของร่างกายแต่ใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอาหารหันต์ทั้งหลายท่านไม่มีร่างกายมาทุกข์ด้วยท่านจึงอยู่อย่างบรามสุขปรลมังสุขขันนี่คือความแตกต่างระหว่างใจของพวกเรากับใจของพระพุทธเจ้ากับพระอาหารหันต์ทั้งหลาย ใจของท่านนั้นท่านไม่ได้ยึดติดไม่ต้องการอะไรแล้วมีความสุขเต็มที่อยู่ในตัวแล้วใจของพวกเรานี้มีความสุขอยู่แล้วเพียงแต่เราไม่รู้เราไปหาสิ่งอื่นมาให้ความสุขและแทนที่จะได้ความสุขเราก็ได้ความทุกข์แถมมาด้วยความสุขที่เราได้ก็ได้เพียงเดียเด๋ยวๆช่วงระยะแรกๆ เช่นเวลาเราได้อะไรมาใหม่ๆเราจะรู้สึกดี อ, อกดีใจแต่หลังจากนั้นแล้วเราก็ต้องมาทุกขกับสิ่งที่เราได้เพราะเราต้องคอยดูแลรักษาคอยรักคอยห่วงคอยห่วงแล้วเวลาที่สิ่งที่เรารักเราห่วงจากเราไปเราก็ต้องเศร้าโศกเสียใจร้องห่มร้องไห้นี่คือ ปัญหาของใจของพวกเราเพราะเรายังมองไม่เห็นความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงมีเกิดแล้วต้องมีดับไปไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นวัตถุเข้าวของต่างๆหรือเป็นบุคคลต่างๆเป็นมีความไม่เที่ยงเหมือนกันมีเกิดแล้วก็มีเสื่อมแล้วก็มีดับไป ถ้าไปยึดไปติดไปอยากให้อยู่ไปกับเราไปตลอดเราก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเกิดความหวาดกลัวเกิดความกังวลเกิดความวิตกต่างๆที่เรามีกับร่างกายของเราเพราะว่าเราอยากจะให้ร่างกายของเรานี้อยู่ไปนานๆไม่มีวันจากเราไปแต่เราไม่เคยนึกถึงความจริงกันเลยว่า มันเป็นไปได้อย่างไรมีใครบ้างที่มีร่างกายแล้วอยู่ไปได้ตลอดไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตายมันเป็นไปไม่ได้ความจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นใจของเราไม่ยอมรับความจริงปฏิเสธความจริงไม่ยอมนึกถึงความจริงพอความจริงมาปรากฏให้เห็นก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา แต่ถ้าเราคอยสอนใจอยู่เรื่อยๆให้ลองรับความจริงว่าร่างกายนี้จะต้องแก่ไปตามลำดับแก่ไปทุกวันแก่ไปทุกชั่วโมงแก่ไปทุกนาทีแก่ไปทุกวินาทีขณะนี้เราก็แก่ลงไปหลายนาทีแล้วตั้งแต่เราเริ่มฟังเทศมาจนถึงเดี๋ยวนี้เราแก่ไปเกือบสิบนาทีแล้ว นี่เป็นธรรมชาติของร่างกายมันจะมันจะแก่ไปเรื่อยๆแล้วพอมันแก่มากขึ้นมันก็จะมีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเกิดขึ้นมีโรคดับโรคตายโรคหัวใจโรคอะไรต่างๆภายในร่างกายเพราะว่ามันเสื่อมมันชมลรุดสุดโซงรักษาก็รักษาพอให้มันไม่สุดไปมากไปกว่า น, นั้นแต่มันก็จะสุดของมันไปเรื่อยๆ จนในที่สุดมันก็จะหยุดทำงานพอหัวใจหยุดทำงานปอดหยุดทำงานร่างกายก็ไม่สามารถดำเนินต่อไปได้ร่างกายก็จะล่มสลายถ้าทิ้งไว้เรื่อยๆต่อทิ้งไปต่อไปน้ำก็จะแยกออกจากร่างกายความร้อนไฟก็จะแยกออกจากร่างกายลมก็จะรเหยออกจากร่างกาย ทิ้งไว้ไปนานๆเข้าร่างกายก็จะแห้งกรอบนั้นก็จะแห้งกรอบอวัยวะต่างๆก็จะแห้งกรอบทิ้งต่อไปมันก็จะผุจะเปื่อยจนในที่สุดก็จะกลายเป็นดินไปนี่คือธรรมชาติของร่างกายที่เราได้รับจากพ่อจากแม่แต่มันไม่ได้เป็นตัวเราเราเป็นผู้มาครอบครอง เราเป็นใจเราเป็นผู้มีความรู้สึกนึกคิดแต่ผู้มีความรู้สึกนึกคิดนี้ไม่มีรูปไม่มีร่างเป็นเหมือนมนุษย์ล่องหนถ้าไม่มีร่างกายเราก็จะไม่เห็นตัวเราเลยสิ่งที่เราเห็นคือร่างกายนี้มันไม่ใช่ตัวเราแต่เราไม่รู้เราเหลงไปคิดว่าเป็นตัวเรา พอร่างกายเกิดเป็นอะไรขึ้นมาใจของเราก็เกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาทันทีแต่สำหรับผู้ที่รู้แล้วจะไม่เดือดร้อนกับความเป็นความตายกับความแก่ความเจ็บของร่างกายเพราะแยกตัวเองออกจากร่างกายได้เหลือนเรากับรถยนต์ของเรา เรารู้ว่ารถยนต์กับเรานี้ไม่ได้เป็นส่วนเดียวกันถ้าร่างถ้ารถยนต์เป็นอะไรเราเป็นคนขับเราก็ออกจากรถไปเช่นเกิดรถไฟไหม้ขึ้นมาเราก็ออกจากรถไปก็ปล่อยให้รถไฟไหม้ไปเราไม่ได้ไหม้ไปกับรถฉันใดถ้าเราไม่ยึดติดกับร่างกายว่าเป็นตัวเราของเรา ถ้าเรารู้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราเวลาร่างกายเกิดอะไรขึ้นมาก็ปล่อยให้มันเกิดไปเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ปล่อยให้มันเจ็บไปเราอยากไปอยากไม่ไม่ให้มันเจ็บอยากจะให้มันหายเพราะว่าถ้าเกิดความอยากก็จะเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาความอยากนี้เป็นตัวปัญหาของพวกเรา ไม่ใช่ความเจ็บของร่างกายไม่ใช่ความตายของร่างกายไม่ใช่ความแก่ของร่างกายไม่ใช่ความเสื่อมของสิ่งต่างๆของบุคคลต่างๆปัญหาที่เป็นปัญหาของพวกเรานี้อยู่ที่ความอยากของเราที่อยากไปไม่ให้สิ่งต่างๆเสื่อมไม่ให้บุคคลต่างๆจากเราไป ไม่ให้ร่างกายเราแก่เจ็บตายไปพอเกิดความอยากนี้ขึ้นมาก็จะเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมา ท, ทันทีหรืออยากให้สิ่งต่างๆเป็นปลาตามความต้องการของเราก็เช่นเดียวกันอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอยากให้เขาเป็นอย่างนี้เราก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเวลาที่ไม่ได้ดำใจอยากดังนั้นปัญหาของพวกเรานั้น ไม่ได้อยู่ที่สิ่งต่างๆไม่ได้อยู่ที่ร่างกายปัญหาของพวกเราอยู่ที่ความอยากให้สิ่งต่างๆให้ร่างกายของเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราจึงต้องมาแยกใจเราออกจากสิ่งต่างๆออกจากร่างกายแล้วก็สอนใจว่าอย่าไปอยากให้สิ่งต่างๆเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะว่าเราไม่สามารถที่ไป ควบคุม บ, บังคับหรือไปสั่งให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามความต้องการของเราได้ตลอดไปบางเวลาเราก็ทำได้บางเวลาเราก็ทำไม่ได้เวลาที่เราทำได้เราก็สบายใจเวลาที่เราทำไม่ได้ก็ทุกข์ใจในที่สุดมันก็จะเจอในส่วนที่เราทำอะไรไม่ได้ เมื่อถึงเวลานั้นวิธีเดียวที่จะทำให้เราไม่ทุกข์ใจก็คือเราต้องปล่อยเราต้องปล่อยให้มันเป็นไปใครจะเป็นใครจะตายก็ต้องปล่อยถ้าเราช่วยเหลือเขาเต็มที่แล้วเขาก็ยังจะตายเช่นคนไม่สบายเราก็พาไปโรงพยาบาลไปหาหมอหายามารักษาแต่ถ้าร่างกายมันไม่ยอมรับการรักษา มันจะตายมันก็ไม่มีใครจะหักข้ามมันได้ถ้าเราอยากจะไม่ให้ร่างกายตายเราก็จะทุกข์ใจแต่ถ้าเราปล่อยว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราร่างกายนี้เหมือนร่างกายของคนอื่นคนที่เราไม่รู้จักเวลาเขาตายไปเราไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรเราก็ต้องมองร่างกายของเราหรือร่างกายของคนที่เรารู้จัก เหมือนกับร่างกายของคนที่เราไม่รู้จักเพราะว่าเป็นเหมือนกันร่างกายของคนที่เราไม่รู้จักกับคนที่เรารู้จักนี้ก็มีเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันมีอาการ32เหมือนกันมีผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเหมือนกันแต่เราไม่ทุกข์กับเขาเพราะว่าเราไม่ได้มีความอยากไม่ให้เขาไม่ตายเราทุกข์กับร่างกายของคนที่เรารู้จัก กับร่างกายของเราก็เพราะว่าเราอยากที่จะทำให้ใจของเราทำเราอยากจะให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนั่นเองดังนั้นเราต้องมาสอนใจแล้วมาหยุดใจให้ได้การสอนใจแล้วถ้ายังหยุดไม่ได้ก็แสดงว่าเราไม่มีเบรกไม่มีเครื่องหยุดใจเหมือนกับรถยนต์ถึงแม้ว่าคนขับจะรู้ว่า เวลาถึงสีแยกไฟแดงจะต้องจอดแต่ถ้ารถไม่มีเบรกก็จะไม่สามารถจอดหยุดรถได้ฉันใดใจของเราก็เป็นอย่างนั้นตอนนี้พวกเรารู้แล้วว่าใจของพวกเราทุกข์เพราะความอยากอยากไม่ให้ร่างกายแก่เจ็บตายแต่เวลาเราเจอความแก่ความเจ็บความตายเรายังอดที่จะทุกข์ไม่ได้ วราเราอดที่จะอยากไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายไม่ได้ดังนั้นเราต้องติดเบรกขึ้นมาที่ใจของเราเบรกที่เบรกของใจของเราก็คือสติและสมาธินี่เองสติก็คือการควบคุมความคิดหยุดความคิดอย่าให้คิดหรือถ้าจะคิดก็ให้คิดไปในทางที่ถูกคือคิดไปในคือคิดไปตามความจริง เช่นถ้าจะคิดก็คิดว่าร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องปล่อยแล้วก็ต้องหยุดความคิดให้ได้ถ้าหยุดได้ก็จะปล่อยได้ถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็จะหยุดคิดได้หรือว่าถ้าแรงคิดอย่างนี้ไม่ได้เราก็ต้องใช่อย่างอื่นมาช่วยหยุดความคิดก่อนให้ใจนิ่งให้ใจสงบก่อนให้เป็นสมาธิก่อน ก็เราก็ต้องใช้การบริกรรมพุทโธพุทโธไปถ้าพอเราบริกรรมพุทโธพุทโธใจที่จะเคยคิดว่าคนนั้นเป็นเป็นพ่อเราเป็นแม่เราคนนี้เป็นสามีเราคนนี้เป็นภรรยาเราคนนี้เป็นลูกเราร่างกายนี้เป็นตัวเราของเรามันก็จะไม่สามารถจะคิดได้ถ้าเราคิดอยู่กับพุทโธไปเรื่อยๆ ความคิดว่าอันนั้นเป็นเราของเรามันก็จะหายไปชั่วคราวแต่ถ้าเราหยุดเราหยุดพุดโทโธเมื่อไหร่เรากลับมาคิดเมื่อไหร่มันก็จะคิดเหมือนเดิมอีดังนั้นเราต้องพยายามหยุดความคิดของเราให้ได้ก่อนถ้าเราหยุดความคิดได้แล้วใจจะสงบจะเย็นจะสบายแล้วเราจะเห็นว่าการไม่ยึดไม่ติดการไม่อยากนี้เป็นคุณเป็นประโยชน์ มากกว่าเป็นโทษแล้วต่อไปเวลาใจเราเกิดความอยากเราก็ใช้ให้มันคิดตรงกันข้ามกันให้คิดว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเหมือนกับร่างกายของคนที่เราไม่รู้จักคนที่เราไม่รู้จักเราไม่ได้ไปคิดว่าเป็นของเราเราไม่ได้ไปคิดว่าอยากให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย เราต้องมองว่าร่างกายของพวกเราทุกคนนี้เป็นเหมือนกันหมดจะรู้จักหรือไม่รู้จักก็ตามเราต้องมองให้เหมือนกับเป็นของคนที่เราไม่รู้จักถ้าเรามองอย่างนั้นได้แล้วเราก็จะไม่เดือดร้อนเวลาที่เขาแก่เวลาที่เขาเจ็บเวลาที่เขาตายเพราะเราจะคิดว่าช่วยอะไรไม่ได้ห้ามไม่ได้ ความแก่ความเจ็บความตายนี้เราห้ามไม่ได้แต่สิ่งที่เร า, ห, าห้ามได้ก็คือความอยากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี้เราห้ามได้ถ้าเรามีสติมีสมาธิถ้าเราพุโทโธพุโทโธไปได้เรื่อยจนใจสงบพอใจสงบแล้วหลังจากนั้นเราก็จะสามารถสอนให้ใจคิดสอนให้ใจมองว่า ไม่ใช่เป็นตัวเราไม่ใช่เป็นของเราได้แล้วพอเราเห็นว่าไม่ใช่เป็นตัวเราเป็นของเราเราก็จะไม่ทุกข์กับเวลากับร่างกายเวลาที่ร่างกายแก่เวลาที่ร่างกายเจ็บเวลาที่ร่างกายตายไปนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบแล้วนมามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราทั้งหลาย ถ้าพวกเรามีศรัทธามีความเชื่อแล้วนำเอาไปปฏิบัติเราจะได้พบกับสิ่งที่ดีสิ่งที่เลิศสิ่งที่วิเศษที่ไม่มีอะไรในโลกนี้ถ้าจะวิเศษเท่าก็คือความสุขภายในใจความดับทุกข์ต่างๆภายในใจไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถดับความทุกข์ภายในใจของเราได้ จะให้เป็นมหาเศรษฐีเป็นมหากษัตริย์เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานาธิบดีตำแหน่งเหล่านี้ก็จะไม่สามารถดับความทุกข์ภายในใจได้ต้องมีธรรมะคำสอนและการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะทำให้ดับความทุกข์ต่างๆได้คำสอนก็มีอยู่สาข้อใหญ่ๆก็คือ ทำบุญละบาปชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆก็ะองค์ไม่ว่าพระพุทธเจ้าองค์ไหนก็ตามเวลาที่ตัดสเลุแล้วจะเห็นความจริงอันนี้ว่าวิธีแก้ปัญหาวิธีดับความทุกข์ของใจวิธียุติการเวียนว่ายตายเกิดนี้จะต้องใช้การทำบุญการละบา การชำระใจให้สะอาดบ่อยสุดเท่านั้นนี่เป็นคำสอนของพระพระเจ้าทุกๆพระองค์และของพระอรหันตสาวกทุกๆพระองค์จะสอนเหมือนกันหมดเหมือนกับหมอที่รักษาโรคภัยไข้เจ็บไม่ว่าจะไปโรงพยาบาลไหนไปประเทศไหนถ้าเป็นโรคชนิดนี้ก็จะรักษาเหมือนกันหมดทุกคน เพราะว่ามันเป็นวิธีเดียวเท่านั้นที่จะรักษาได้เวลาเป็นอะไรหมอเขาก็จะต้องให้ยาแบบเดียวกันถ้าเป็นโรคชนิดเดียวกันก็ให้ยาแบบเดียวกันหมดไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไหนก็ตามการรักษาร่างกายก็เหมือนกับการรักษาใจพราพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ก็เป็นเหมือนหมอที่จะมารักษาความทุกข์ภายในใจของเรา ให้หมดไปไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี้หรือพระพุทธเจ้าที่จะมาในอนาคตก็จะสอนแบบเดียวกันดังนั้นเราไม่ต้องไปรอเวลาพบกับพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ตอนนี้คําสอนหรื อ, อยาของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี้ยังมีอยู่อย่าทวงเวลาอย่าทรมานไปกับความทุกข์ใจเพื่อที่จะรอ พบกับพระพุทธเจ้าองค์ใหม่เลยเพราะจังหวะที่มาเกิดนี้อาจจะไม่ตรงกันก็ได้จังหวะที่พระพุทธเจ้าองค์ใหม่มาเกิดเป็นมนุษย์เราอาจจะไม่ได้เป็นมนุษย์ก็ได้เราอาจจะเป็นเทพเป็นพรหมหรือเป็นเดรัจฉานหรือเป็นเปรตก็ได้ในจังหวะแต่และจังหวะของการปรากฏของพระพุทธเจ้าจังหวะนี้แหละเป็นจังหวะที่ดีที่สุดแล้ว เราถึงแม้ไม่ได้เจอตัวหมอแต่หมอได้สั่งยาไว้แล้วฝากยาไว้ให้พวกเราแล้วเราเพียงแต่รับประทานยาตามที่หมอสั่งเราก็จะสามารถรักษาโรคความทุกข์ใจให้หายหมดไปได้ดังนั้นหน้าที่ของเราจึงอยู่ที่การปฏิบัติตามพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเพียงอย่างเดียว อย่าหลอกตัวเองว่าไว้รอให้พบกับพระพุทธเจ้าองค์ข้างหน้าก่อนเพราะว่ามันไม่รู้ว่าจะได้พบเมื่อไหร่และระวางที่รอนี้ก็จะต้องเกิดแก่เจ็บตายไปอีกไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่กี่หมื่นกี่แสนครั้งด้วยกันดังนั้นโอกาสอันเลิ่นนี้มีอยู่ในมือเราแล้ ว, ลวเราควรที่จะรีบตกตวง เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่อยู่ในวิสัยของพวกเราถ้าไม่อยู่ในวิสัยพระพุทธเจ้าจะไม่เสียเวลาเอาธรรมะมาสั่งสอนให้แก่พวกเราแล้วก็มีคนหลายคนที่สามารถรักษาใจให้หายทุกข์ได้กลายเป็นพระอาหารหันต์ขึ้นมาก็มีเป็นจำนวนมากพวกเราก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นได้เหมือนกัน ถ้าพวกเราน้อมเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติคือทำบุญละบาทและชำระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์อย่างที่ท่านทั้งหลายได้มากระทากันในวันนี้ก็เป็นการกระทตาตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนมาทำบุญใส่บาทเป็นการทำบุญมารักษาศีลเป็นการละบาท มาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิพิจารณาอานิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้เรียกว่าเป็นการชาระใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพียงแต่ว่าต้องทำมากๆขึ้นเท่านั้นเองต้องทำอย่างเต็มที่ถ้าอยากจะให้เสร็จเร็วๆก็ต้องทำแบบทุกวันเหมือนกับการตักน้ำใส่ตุ่มถ้าเราตักน้ำวันละขันธ์ มันก็ต้องใช้เวลาหลายวันด้วยกันกว่าน้ําจะเต็มตุ่มแต่ถ้าเราตัดตลอดทั้งวันไม่นานเพียงครึ่งชั่วโมงน้ําก็จะเต็มตุ่มแล้วฉันใดถ้าเราศึกษาและปฏิบัติตามที่พระุทธเจ้าทรงสั่งสอนได้พระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าไม่เกินเจ็ดปีถ้าทําอย่างเต็มที่ถ้าออกบวชไม่มีภารกิจอย่างอื่นอย่างมากก็เพียงเจ็ดปี ถ้าขยันถ้าฉลาดก็อาจจะเสร็จภายในเจ็ดวันก็ได้นี่แหละคือความวิเศษของพระพุทธเจ้าที่พวกเรามีความศ ร, รัท ธ, ธามีความเลื่อมใสความวิเศษของพระธรรมคาสอนเพราะว่าจะทำให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ยุติการเวียนว่ายตายเกิดจึงขอฝากเรื่องของการมาวัด เพื่อที่มาปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ให้ท่านได้นำเอาไปพินิตพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขและความดับทุกข์ที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณภระรีรัตนตรยัย